นะโมทัสสะภะคะวะโต a r a h t o s a s h a t s a นะโมทัสสะภะคะวะโต arahato s a m s a d h a t s a นะโมทัสสะภะคะวะโต arahato sama s a m u d h a s a ธัมมะจาริงสุขังเสติ วิริเยทุกข ม, มัดเจตีปัญญาโรกัสมินตีตีขอเจริพาญพรแด่สาธยาโยมทั้งหลายทุกท่านก็ขอการาบคารวะแะด่ท่านอาจารย์ทั้งสองรูปที่ได้มานั่งอยู่ฐานที่นี้ ขออนุโมทนากับผู้บริหารของบริษัทดีโอทีตั้งแต่ระดับสูงมาจนถึงระดับล่างสุดที่ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมในทางพุทธศาสนาถ้าผู้ใหญ่ไม่ไม่เห็นด้วย งานนี้ก็เกิดขึ้นลำบากมันจะมีอุปสรรคเพราะว่าถ้าผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะนั้นก็ถือว่าทีโอทีนั้นเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดงานทาบุญในวันสำคัญสำคัญของุศาสนาอยู่เรื่อยๆกราบนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มา รับอินทบาทบ้างฉันพระาหารบ้างแสดงพระธรรมเทศนาบ้างร้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดสุขกับพวกเราทุกท่านทุกคนธรรมะคำสอนของพระเจ้านั้นเป็นธรรมะที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ผัดพบผัดชาต เมื่อกี้เข้ามาได้ยินเสียงกันเทศของหลวงตาที่เทศในเรื่องเกี่ยวกับสังขารขันหรือตัวเราอันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอากาศาตวิญญาณธาตุมันไม่ใช่ของเราหลวงตาก็บอกว่ามันมีเป็นมีจิตวิญญาณเข้ามาสถิตอยู่นะ ก็ไม่ใช่ตัวเราเทศน์นนี้เป็นเทศกันที่ดีมากอาตมาก็ชอบฟังกันนี้อยู่บ่อยๆเพราะกันนี้เนี่ยมันเข้าถึงจิตถึงใจจริงๆมันมีตเหตุแต่ผลจริงๆทั้งขานที่มันมีอยู่ในตัวเราอันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่ รูปก็ไม่ใช่อะไรต่างๆก็ไม่ใช่เราไปกําหนดมองมองเห็นว่าเป็นรูปแต่ตัวเองคงก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นรูปเพราะฉะนั้นมันเกิดจากกองแห่งธาตุทั้งหกกองรวมตัวกันถ้ามันแยกออกกันเมื่อไหร่รูปนี้ก็ไม่สามารถจะเดินได้พูดได้ทํากิจกรรมงานใดๆได้ ห, หลุงตาก็แยกไว้เห็นได้ชัดถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปยึดติดรูป ว่าเป็นของเราเวทนาสัญญาสังการวิญญาณไม่ใช่ของเราที่เรียกว่าขันห้านั้นนะมันจะทําให้ภพชาติของเรานะั้นน้อยลงการโกรธมันก็จะน้อยลงความเอ็นดูหรือความติดยึดในสิ่งนั้ น, น, นก็น้อยลงความยึดติดในรูปกายความยึดติดในตัวเรามันก็น้อยลงที่องค์พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ว่าตัวกูของกู ถ้าเรามีตัวกูของกูอารมณ์มันก็เกิดขึ้นถ้าตัวของเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงความพอใจความไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจิตมันก็จะสงบนิ่งอยู่เมื่อจิตมันสงบนิ่งเหมือนน้ำน้ำที่มันอยู่ในแก้วมันไม่กระฉอกมันนิ่งเราก็จะเห็นสายน้าเหล่านั้นเราก็จะเห็นตะกอนของน้าเหล่านั้น แต่ถ้ามันกระชอกไปกระชอกมากระชอกไปกระชอกมามันไม่มีทางได้เห็นหรอกนี่ก็ถือว่าโยมมีความสนใจเนี่ยเข้ามาถึงปั๊บก็ได้ยินปั๊บก็มีความชื่นใจความชื่นใจเพราะอะไรเพราะว่าคือเราไม่ได้เราเราไม่ได้ยินเสียงเพลงเสียงอะไรต่างๆตามงานที่เขาเปิดกันๆนั้นได้ยินแล้วหดหู เสียงอาดเสียงทมเขาเขาไม่สนใจทั้งทั้งที่เป็นเสียงที่มีคุณค่ามีประโยชน์แต่เขาก็ไม่ได้สนใจแต่แสงที่เสียงที่ไม่มีประโยชน์แต่เขากับสนใจใยดีมากๆนี่คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเราไปจับยึดในของที่มันไม่มีคุณค่าแต่ของไม่มีคุณค่ากับมองดูไม่เห็นว่าเป็นของที่ไม่มีคุณค่านี่แหละโบราณเขาจึงได้บอกว่าใกล้เกลือกินด่าง เพราะนั้นบริษัทตีโอทเป็นบริษัทที่ที่พานาแต่มีพนักงานเยอะเจ็พนักงานเยอะแต่เขาจะใครจะสนใจไม่สนใจเราไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกแต่ขอให้เรายังสนใจของเราอย่างเดียวก็กพอแล้วนะให้เราสนใจทุกคนเห็นคุณค่าของธรรมะนะเห็นคุณค่าของการมาทําฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเข้ามาเนี่ยไอเย็นอากาศเนี่ยมันเย็นก็เย็นอย่างนั้นเพียงแค่าย มันเย็นแล้วเดี๋ยวควมันออกไปแล้วมันก็หายแต่อเย็นใจที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เอมันเย็นแล้วไม่หลูเหลือนไม่รู้หายมันเย็นมันเย็นลึกเข้าไปในหัวใจของเรามันเหมือนกับธรรมะ น, นะศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมมันเป็นอริยท ร, รัพยเป็นเป็นทรัพย์ภายในที่ไม่มีใครเอาของเราไปได้นี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราและท่านทั้งหลายต้องต้องมีความรู้สึกว่าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วเรามีความ เพิ่มใจและความดีใจว่าทุกคนที่มีสนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ระพบชาติของญาติโยมทั้งหลายจะลดน้อยลงไปการลดพบลดชาติได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเมื่อกี้หลวงตาก็บอกว่านี่การประพฤติปฏิบัติการเข้าใจให้รู้เรื่องของขันห้าให้รู้เรื่องของลูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณให้รู้และเข้าใจตามตภาวะเองความเป็นจริงของสังขารเหล่านั้นแหละ ความพกเป็นพบเป็นชาติมันจะน้อยลงไปน้อยลงไปเนี่ยมันตรงกันเลยตรงกันเลยตรงกันเดียงเดียวเลยจิตของอาตมาเองอาตมาก็ก็สนใจในเรื่องนี้มากอ่าแยกออกไปเลยมันามาตึกรามบ้านช่องทั้งหลายทั้งปวงบ้านมันก็ไม่เคยบอกมันว่ามันเป็นบ้าน เสามันก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นเสาหลังคาก็ไม่เคยบอกว่ามันเป็นหลังคามันไม่ได้บอกว่ามันสําคัญแต่เบียงก็ว่าหลังคามันก็ทําหน้าที่ของมันว่ากันแดดกันฝนลงไปเสามันก็ทําหน้าที่ยึดไว้ว่าบ้านเหล่านั้นจะต้องหลังคาก็ต้องอยู่ได้อะไรอยู่ได้ถ้าขาดเสานั้นอ่ะมันก็อยู่ไม่ได้พื้นก็มีความสําคัญฝามันก็มีความสําคัญประตูหน้าต่างมันก็มีความสําคัญของมันอยู่สังขารของเราทั้งที่มันมีอยู่ในกายของเราเนี่ย นาที่เราได้มันมันประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอาก า, าศธาตุวิญ ญ, ญาณธาตุนั่นน่ะนากองแต่ละกองแต่ละกองกองเน่ยกองแห่งดินกองแห่เงเวทนากองแห่งตัญญากองแห่งสังขารกองแห่งวิญญาณมันรวมตัวกันอยู่เนี่ยมันจึงเป็นกายกับใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นกายกับใจเนี่ยมันสามารถทําให้พระเจ้าจึงได้ตัดไว้ว่ามนุษย์สิ่งที่มีชีวิตและมีวิญ ญ, ญาณในโลกนี้มีสองประเภทคือมนุษย์มนุษย์ มนุษย์หนึ่งเดรัจฉานหนึ่งเนี่ยกายของมนุษย์เนี่ยกายของมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์อินปะเสิดมนุษย์เป็นสัตว์อินปะเสดสามารถรู้และคิดทำนู่นทำนี่ได้นะรู้อะไรดีไม่ดีอะไรเย็นอะไรร้อนอะไรละเอียดอะไรเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขอะไรเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์เนี่ยมันรู้หมดพอมันรู้ตัวนี้แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นตัวนี้พอมันรู้ตัวนี้อจิตตัวนี้แหละตัวสําคัญเลยนะพอมันรู้อย่างนี้ปั๊บมันก็จะเลือกเอาแหละ มันจะเลือกเอาว่าเราอะไรของเราควรเก็บอะไรของเราจะไม่ควรเก็บอะไรควรจับอะไรไม่ควรจับอะไรจิตของเราจะน้อมเข้ามาสู่ใจของเราอะไรที่จะเป็นของที่มั่นจิตจะต้องไม่ไปสนใจมันมาอย่าไปน้อมมันเข้ามาน้อมเข้ามาแล้วมันยุ่งใช่น้อมเมารมในสิ่งที่เพราะเพราะเงี้ย เสียงเพราะเพระรูปสวยๆนากิ่นหอมหอมรสชาติอร่อยๆเนี่ยมันมีแต่ความเดือดร้อนเท่านั้นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ให้เรารู้จักโภชเนะปูชเนมตัณยุตารู้จักการบรนมาณในการกินอาหารบริโภคอาหารบริโภคทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงเราบริโภคมันอยู่แต่ว่าเราไม่ควรจะไปยึดติดมันแต่ถามว่าเราไม่ยึดติดมันเราต้องดูแลรักษาไหมลองดูแลรักษาเพราะเราต้องอาศัยมัน นะเราอาศัยมันพอเมื่อเราเอาศัยมันปั๊บเราก็ต้องรักษามันให้ดีถ้าเรารักษามันไม่ดีมันไม่มีมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับเราอีกเพระเาะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกกับสังขารอันนี้ใครไปทําลายสังขารใครไม่ดูแลสังขารไปทรมานสังขารเป็นบาปเป็นบาปเพราะอะไรอ่ะสังขารอันนี้แหละจะทํำพบชาติของเราให้น้อยลงจะทําดวงตาของเราให้เห็นซึ่งความเป็นสัจธรรมขึ้นจะได้รู้ว่าอะไรคือเป็นสิ่งที่เราควรทําอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํา การประพฤติปฏิบัติของเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเนี่ยเราจรึงได้การการมีการกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาการกิจกรรมตัวเนี้ยอมว่าได้เฉพาะเพียงแค่พนักงานหรือผู้บริหารหรือที่มานั่งประพฤติปฏิบัติอยู่แค่นี้มันไม่ใช่มันได้ทั้งตัวเรามันได้ทั้งเสียงที่ออกไปใครได้ยินกําลังทุกข์อยู่กําลังมีปัญหาอยู่บพได้ยินได้ฟังธทำคําสอนของพระเจ้าเท่งนั้นเองอ่ะไอความทุกข์เหล่านั้นมันอาจจะหยุดก็ได้ หรือการจะไปฆ่าตัวตายได้ยินว่าการฆ่าตัวตายเป็นบาปเขาอาจจะหยุดก็ได้นี่แหละเราและท่านทั้งหลายเสียงอาจเสียงทำได้ประโยชน์ทั้งมนุษย์ได้ประโยชน์ทั้งเทวดาได้ประโยชน์ทั้งเดรจานเดรจานก็ได้ได้ประโยชน์ชนชนมันไม่ควรจะต้องตายมันไม่ควรจะต้องพิการ เพราะเราอาจจะไปรังแกมันหรือเบียดเบียนมันเมื่อเรารู้ว่าเป็นบาปเป็นกรรมเราก็หยุดเราหยุดกันอย่างน้อยที่สุดน่ะมันเกิดมามันจะต้องตายแต่ว่ามันไม่ตายด้วยฝีมือของเราเราจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปนี่แหละที่ยมสมาทานสินห้าเนี่ยตรงพอดีเลยตรงพอดียมไม่ต้องไปรักษาอะไรมากมายแต่เอาจิตใจของเราอยู่กับสินห้าเท่านั้นน่ะ ทุกทิ่งทุกอย่างพบชาติของโยมจะน้อยลงไปปัญหามันจะไม่เคยมีแล้วสิ่งที่เป็นศัตรูหมู่มารทั้งหลายทั้งปวงในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะศีลห้าเนี่ยนะมองดูมันไม่มีอะไรมากหรอกเป็นเป็นแค่ข้อเว้นข้อเวทข้องดเว้นห้าข้อแต่ข้องดเว้นห้าข้อเนี่ยมันเป็นข้องดเว้นที่มันจําเป็นจริงๆใครรักษาได้คนนั้นก็ถือว่าประเสริฐนั่นก็เพิงได้บอกว่าศีลเลนสุขติณิตินั่นเมื่อเรารักษาศีล ศีลทาให้เราไดนะ้มีความสุขเนี่ยนะนะมีก็เรียกว่าศีลเลนะสุขติงยันตนะนะินะสุขเนี่ยนะสุขที่เราทั้งทั้งหลายบุญต้องการเนี่ยเราไม่ต้องไปทําอะไรเรารักษาศีลสุขมันก็เกิดขึ้นแล้วสุขเกิดเกิดจากการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะนะไม่ล่วงละเมิดในสิทธิของคนอื่นไม่ทําวาจาของเรานั้นให้ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเราได้เปรียบนั่นคะือนะข้อมุสาววาด การเมียก็คือไม่ทํำให้คนอื่นเดือดร้อนคือไปล่วงละเมิดในสิทธิของคนอื่นเขาเนี่ยมันเป็นกรรมทั้งหมดเมื่อเราตั้งตนอยู่ในศีลห้าข้อมาไอศีลตั้งแต่ข้อที่หนึ่งไปถึงข้อที่สี่ก็ไม่เท่าไหร่ถ้าไอข้อที่ห้าข้อเดียวเนี่ยมันสร้างตั้งแต่ข้อที่หนึ่งยันข้อที่ห้าเลยดังนั้นก็อย่งได้บอกว่าข้อที่ห้าเป็นสิ่งที่ข้อที่สําคัญที่สุดนี่ยนะเพราะอะไรไม่สามารถประคองสติได้ มาไม่กามมไม่สามารถประคองสติรู้ว่าตัว น, นี้เรากําลังทําอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเพราะสติมันนั่นแล้วใจมันกล้าหนัคนดื่มสุราแล้วใจมันกล้าเพราะไอความกล้าของใจเนี่ยมันสามารถมันกล้าจะไปทำในสิ่งที่ถูกมันไม่ทําหรอกมันกล้าทําในสิ่งที่ผิดๆเนี่ยเป็นสิ่งตัวนี้เป็นตเป็นสิ่งที่น่าควรระวังเนี่ยก็เรียกว่าสีเลนะสุกติงยันติเมื่อเรารักษาสิลสินนําสุขมาให้สีเลนะโพกส็สัมปทา ศีลนำพวกกทรัพย์มาให้นี่ยใจของญาติโยมทั้งหลายที่นั่งสงบนิ่งอยู่อย่างนี้ได้เนี่ยเนี่ยมันมีอะไรเข้าไปมันมีความเป็นอริยทรัพย์ไหลเข้าไปไหลเข้าไปไหลเข้าไปตรงแต่โยมมีความจิตใจตั้งมั่นแล้วเนี่ย น, นะเท้าฝาทับเท้าซ้ายมือฝาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงทําจิตให้ว่างเปิดหูเปิดโสาาตประสาทดังฟังแล้วก็น้อมกันไปจิตในก็ตามน้อมกันไปมันเป็นสมาธิกับการฟัง หนาความสงบมันก็มีกายมันก็สงบนากายมันสงบด้วยความที่ใจของเรานั้นไม่ได้ไปสนใจอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้ส่งจิตออกเลยใจของโยมจิตของโยมอยู่กับกายตลอดหูก็ฟังหน้าที่เ้าไปจิตนั้นก็ตามรู้ลงไปว่าคุาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระที่มาแสดงธรรมน้อมเอาทำคำสอนขุงเจ้าแล้วก็ฟังไปฟังไปก็จิตก็ตามไปตามไปเหมือนเงาตามตัว ความดีมีที่ไหนเงาความดีมันก็ตามเราไปที่นั่ น, นแต่เราทาความชั่วไว้มากขนาดไหนเงาของความชัวม่วก็ตามเราไปเนี่ยเพราะนั้นเราทำในในสิ่งที่ดีเงาแห่งความดีมันก็ทําให้เกิดขึ้นกับหัวใจของเราหัวใจของเราลึกจิตตัวเนี่นะ จิตตัวนี้ตัวตัวสำคัญมากที่สุดเลยถ้าจิตมันมีปัญญาจะแล้วจิตมันมีสติจะแล้วจิตมันมีตามความรู้จะแล้วจิตมารู้ได้ยังไงก็รู้มาจากการฟังนี่แหละรู้มาจากการประพฤติปฏิบัตินี่แหละนี่ตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนักประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นเอาธรรมนั้นมาสู่ใจให้ได้ทำคําสอนของพระเจ้าอยู่ที่ไหนที่ไหนเอามาทํามันสูดใจเหมือนยาโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องนี้ นานั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยกว่าอาลองโยมน้อมเอาทำมาสู่ใจเนี่ยเอาน้อมมาทํามาสู่ใจจึงมาฟังทำกันน่ะเมื่อน้องเอาทำมาสู่ใจเมื่อเอาใจนั้นมันมีทำแล้วเนี่ย น้องเอาธรรมมาสู่ใจใจก็มีธรรมเพราะใจมีธรรมปั๊บใจก็มาพฤ่งปฏิบัติไปตามธรรมอันไหนควรละอันไหนควรเว้นอันไหนควรเจริญอันไหนควรที่จะปล่อยวางอะไรต่างๆเรารู้หมดนี่ยนะอันไหนที่ควรเว้นคือสิ่งหน้าเราควรเว้นอันไหนเราควรละก็คือในสิ่งที่เราละไปทั้งหมดในความโลภร่โมบโลภมากในความอะไรต่างๆเราก็ละไปนะนอะไรที่ควรเว้นอะไรนี้ควรเจริญเนี่ยไอ้สิ่งที่เราควรเจริญก็คือความดีความ ความมั่งมีความเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่คณิกาสมาธิเป็นอุปจระสมาธิจากอุปราชมาธิเป็นอัปปนาสมาธินั่นบอลเป็นจิตเป็นคณิกาสมาธิมันก็มีความสุขในหน่อยแล้วมันได้รสชาติแล้วเหมือนแกงจ้อนเดียวเนี่ยเราตักยิมเอาก้อนตักไปในหม้อแกงขึ้นมาใส่ปากเรารู้รสชาติแล้วเมื่อเรารู้รสชาติแล้วปั๊บเนี่ย เราก็รู้ว่าโอ้ยแค่นี้ยังมีรสชาติขนาด น, นี้เลยถ้าเรากินหมดถ้วยและตักมาสักถ้วยหนึ่งตักมาสักจานหนึ่งเนี่ยมันจะมีรสชาติมากขนาดไห น, น, น เราก็เลยตักข้าวใส่แกงใส่แกงใส่แกงไปแล้วก็ตักข้าวนั้นใส่ปากกันกินแบบมีรสชาติกินแบบมีความสุขนั่นกินอาหารลงไปนั่นไม่มันมีรสชาติเพียงแค่ลิ้นเท่านั้นเองนะมันมีประโยชน์เพียงแค่กายเท่านั้นเองแต่มันไม่มีประโยชน์ทา ง, ทางจิตของเราเลยนะแต่เราก็ยังบริโภคมันเข้าไปบริโภไปวันละสามือ้อสามือ้อแต่ไอของที่มันมีคุณค่ามากที่สุดเนี่ยมันเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในเนี่ยเราบริโภคมันเข้าไปนะเมื่อได้ฟังไปแล้วโอปนัญ โน้องมาทําเหล่านั้นไปสู่ใจแล้วก็ค่อยๆคุยควรประพฤติไปปฏิบัติไปฟังไปให้รู้ตามไปฟังไปให้รู้ตามไปนี่เขาเรียกว่าเอาทรมาสูตใจเมื่อทำมาสู่ใจใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมนั่นแหละนัะ่นแหะพระเรียสงพระเรียเจ้านั่นแหละ นันแะเพื่อปัญญวิธีทั้งห้านะั่นทั้งๆที่ปฏิเสธทำคําสอนของพุทธเจ้าอาการกิจยาที่พุทธเจ้าทร ม, มานกายแล้วหันมาฉันอาหารของนางสุดชาดาแล้วนะ่ะทําให้ปัญญวิธีปัญญวิธีอัญญาโกฏัญญาัวหน้านั่นน่ะนะเกิดขัดใจขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยบุรุษผู้นี้เห็นเกะ ก, กินอดทนไม่ไหวเห็นเกะ ก, กินไม่มีความอดทนนั่นะนะ่ะทั้งๆตัวตัวเองก็ทําไม่ได้นะแต่คนอื่นเขาทำสลบถึงสครั้งแล้วนะนะนะั่น่ะเพียงแต่ว่าจะอาศัยแต่คนอื่นเขาจลอดอาศัยตคนอื่นตลอดนะ่นนะ แต่มันต้องลองทําดูว่างสิว่าพุทธเจ้านั่ะเห็นเขาทำเขาทําเขาทรมานกายพระองค์ทํายิ่งกว่านั่ะพระองค์ต้องทํายิ่งกว่าที่คนอื่นเขาทาไว้แล้น่ะสลปถึงสามครั้งน่ะพระองค์จึงไม่ทําต่อไปไงพระองค์เป็นผู้มีปัญญาเราต้องเป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่เป็นคนที่คลั่าคลือไปอะไรต่างๆไปหรือเขาพูดอะไรมาต่างๆตามแต่แสตามกระแสตามสื่อทั้งหลายทั้งปวงแล้วไปตื่นเต้นกับสื่อไม่ใช่ ทำคาสอนของพระเจ้าที่จะเกิดประโยชน์จริงๆต้องฟังโดยการพิจารณาต้องฟังโดยการพิจารณาโดยอุบายอันแยบคายเรามีสติเรามีสมาธิเรามีปัญญาเราก็มีของเราอยู่มันไ ม, ม, มีของเราอยู่ทำไมไม่ล่ะเอามาใช้ให้มันเต็มที่ลน่ะ สติมันก็มีอยู่สมาธิมันก็มีอยู่ปัญญามันก็มีอยู่ความละเอียดอ่อนก็มีอยู่ความรอบคอบมันก็มีอยู่ในหัวใจของเราเานี้มันมีครบทุกอย่างเนี่ยทำไมเราไม่เอามันมาใช้ให้มันเต็มที่เราเอามันมาใช้ให้มันเต็มที่เดี๋ยใชใ้มันถูกต้องสนะิเราไม่ต้องเราไม่รู้อะอะไรดีเลยอะไรไม่ดีเราไม่รู้รไรไไรไรหรอก แต่เรารู้อย่างเดียวว่าพระพุทธเจ้ามีจริงทําคําสอนเพื่อเจ้ามีจริงเพื่อเจ้าตัดสืบจริงสถานที่เกิดพระพุทธเจ้าพ่อพระพุทธเจ้าแม่พระพุทธเจ้ามีจริงนะอุบัติที่ไหนประสูศุที่ไหนตัดสืบที่ไหนแล้วพระพุทธองค์ได้นิพพานที่ไหนมีหมดแสดงพระธรรมเทศนามีหมดนะ่ยปัญญวกิจะง่ปฏิเสธแล้วเนี่ยพอได้ยินธรรมจากรกบฏนาสูตรดังกึกก้องขึ้นนั่นเองเนะี่ย จิตที่มันปฏิเสธอยู่ปฏิเสธอยู่มันยอมรับเนะี่ยเราไปเห็นเปียเพียงแค่มองดูไอหม้อแกงที่เขาตั้งไว้นั่นนะ่ะ มันมีกลิ่นขึ้นมาเอ๊มันกลิ่นมันดีแต่รสชาติจะดีหรือเปล่าแต่โยไม่รู้ทันทีเลยว่ากลิ่นนั้นมาออกจากความเป็นจริงมาที่เรียกว่าเป็นกลิ่นมานั่นน่ะถ้ากลิ่นมันหอมกลิ่นมันดีรสชาติของมันจริงๆมันจะยิ่งไปกว่านั้นนั่นแหะเพราะฉะนั้นมันออกมาตั้งกลิ่นก่อนแล้วนั่นน่ะมันก็เข้าไปพอได้กลิ่นไปปั๊บก็ลงตักชิมดูพอตักชิมดูปั๊บจึงรู้รสชาติแล้วตักใส่จานเต็มที่เราก็บริโภคจนอิ่มนั่นแหละคือการอิ่มนั้นกินอาหารีนนน้เเรากก็หมือั่ รรู้ธรรมะการที่เราเข้าใจธรรมะที่เราจะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะลองเอาธรรมะมาสู่ใจเนี่ยเหมือนญาติโยมทั้งหลายที่นั่งอยู่ในห้องตรงนี้เนี่ยแล้วอยู่ที่ข้างนอกได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งก็แล้วแต่ตรงนั้นแต่อย่างน้อยที่สุดผู้ที่อยู่ในห้องนี้ยังได้ยินได้ยินนักกายของโยมนิ่งเพราะกายของโยมนิ่งจิตของโยมก็ต้องนิ่งไปด้วย พระกายมันนิ่งจิตมันนิ่งเนี่พราะจิตของโยมไม่ได้ส่งออกไปไหนไม่ตรดไม่ส่งออกไปไหนตะหนักเปิดเบิงไปไหนไม่มีจิตของโยมมันกายนิ่งพอกายนิ่งจิตนิ่งเนถ้าเผลือกกายไม่นิ่งเนี่ยจิตมันก็จะไม่นิ่งเราเห็นเลยทำจิตยังไงที่มันเียกะกะวนกะวายกายกระวนกะวายกะยับไปกะยับมานั่นจิตไม่นิ่ง เพราะจิตที่ไม่นิ่งมันมีอารมณ์ภายในของเราที่กําลังวิตกวิจารอะไรต่างๆอยู่นั่นน่ะอารมณ์ตัวนี้แหละทําให้กายไม่นิ่งจิตไม่นิ่งเพราะฉะนั้นเราขณะที่เราฟังอะไรก็ตามเราฟังเนี่ยกายมันนิ่งจิตมันนิ่งให้รู้เลยนั่นเลยว่าโยมกำลังทําความภาคความเพียรของโยมกันอยู่แล้วการความความภาคความเพียรของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เราและท่านทั้งหลายเมื่อเราได้บริโภคทำเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเข้า หรือทุกครั้งทุกๆครั้งเข้านาจากการได้ยินได้ฟังธรำรจากที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงบ้างที่อ่านจากหนังสือบ้างได้ยินจากแผ่นซีดีบ้างหรือวิทยุที่หลวงตาแสดงทำในเมืม่อสักครู่นี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นธรรมต้นําไปสู่ความบนทุกข์ทั้งสิน้นตัดพบตัดชาติการมีพบมีชาติดีดไหมการเกิดนันตัญหาเนี่ยตัญหาปรารถนาความเกิดเกิดมาแล้วเกิดขอยเกิดมาเป็นมนุษย์ เกิดเป็นมนุษย์ตายแล้วก็ขอให้เกิดอีกนั่นก็เรียกว่า ตันหาการมมตันหาเนี่ยภาวตันหาเนี่ยภาวตันหานี่ไอพวกกามตันห า, ก, นห า, ก, นหาก็คืออยากจะให้เกิดเกิดแล้วก็ให้ฉันได้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีอะไรต่างๆนั่นดิ้นลนทะเยอทะยานไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นกรมตันหาภาวะตันหานี่ติดอยู่ในภพในชาติฉันเกิดมาเป็นมนุษย์ฉันก็จะจะขอเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกภพทุกชาติทําบุญอะไรก็ขอให้เกิดมาเป็นมนุษย์ขอให้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ทําไมเราไม่ทําบุญมาแล้วข้าขอให้ข้าพเจ้าจงได้เกิดเป็นนักปราดเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ การจะเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้ได้ต้องเอากายและเอาใจของเรานั้นไปไปฟังไปดูไปพิจารณาตามอัตธรรมทั้งหลายทั้งปวงของบัณฑิตผู้รู้เหมือนพระพุทธเจ้าตัดสู้แล้วนะทําให้ปัญนญะวกีนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมก็เพราะว่าฟังธรรมจากพุทธเจ้าพระอัสสจิมหาลีบุตรพระโมกขาะนะอุปติสโกลิตตะนั้นะนะใจก็มีธรรมแล้วแต่ธรรมยืนอยู่ใ น, ในใจนั้นยังไม่แจ้ง ยังไม่สว่างมันกุมเกลือกุมเกลือกุมเกลืออยู่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าหรือใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่แรงต่างมันยังไม่มีคนบอกมาว่าสิ่งเหล่านี้คือใช่สิ่งเหล่านี้คือไม่ใช่เพราะเราอาจจะไม่รู้แต่เมื่อเราได้ฟังฟังพอได้ยินได้ฟังเราเห็นอาตจิเดินรับบิณฑ บ, บาตตอนนั้นเองพระอาตจิเดินรับบิณฑ บ, บาตโอ้โหบุรุษผูนี้คําว่าบุรุษในที่นี้ก็เป็นหมายถึงว่าเป็นนักบวช นักบวชสมณะผู้นี้จึงมีอินทรีย์ผ่องใสจังเลยเพราะอินทรีย์ผ่องใสมันเกิดมาจากอะไรล่ะก็มันเกิดจากมาจากใจของเราที่มันมีธรรมะอยู่ในหัวใจนั่นเองใจมันจึงได้อิ่มใจมันได้ผ่องใสกิริยามันจึงได้นุ่มนิ่มดูดูงดงามยิ่งนักหน้าชมยิ่งนักเหมือนเราและท่านทั้งหลายทุกท่านเมื่อทาไปสู่ใจของโยมใจของโยมก็สงบ เมื่อใจของโยมสงบกายของโงโยมก็สงบหูโยมฟังอยู่โยมไม่ได้หลับโยมไม่ได้หลับโยมตื่นอยู่กายก็ตื่นจิตก็ตื่นเตื่อจิตนั้นก็ฟังฟังฟังฟังไปแล้วก็โอปณญาชิโคโนมเอาจิตนั้นรับฟังพระธรรมเทศนาไปใกล้ควรไปใกล้ควรไปดูที่มันเป็นไปตามเหตุตามผลจริงหรือเปล่านะสามที่ออกมาแสดงนั้นจะแสดงกี่ครั้งใครจะแสดงก็เหมือนกันระชั่ว การละชั่วก็คือโยมตมาทานศีลนั่นละชั่วทำดีเนี่ยโยมกำลังทำดีให้ถึงพร้อมนั่นละชั่วก็คือสัพพะปาปะสักระนังนั่นการไม่ทำบาปทั้งกวงบาปคือความชั่วทั้งหลายเราไม่ทำมันนะกุศลสู้ปัมปดาเมื่อกายสะอาดบริสุทธิ์แล้วนะจงดังความดีให้ถึงพร้อมนั่นใจของญาโยมทั้งหลายเมื่อใจของลมโยมเป็นกุศลแล้วเนี่ยโยมก็พยายามทำกุศลให้มันเกิดขึ้นให้มันถึงพร้อมทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำลงไปทำลงไปทำ ลงไปโดยมีจิตนั้นเป็นตัวสัมผัสตัวรู้นะจิตมันตัวสัมผัสตัวรู้จิตและคือตัวเจ้าของบ้านกายเป็นกายนั้นเป็นบ้านนะจิตเป็นเจ้าของบ้านบ้านสะอาดนะบ้านสะอาดไม่มีอะไรเกะ ก, กะไม่มีอะไรจางๆเพราะว่าเรากวาดเช็ตถูอยู่ตลอดเวลาบ้านเราก็สะอาด เพราะนั้นบ้านสะอาดมันคนที่อยู่อยู่ก็มีความสุข น, นอนนอนก็ไม่คันนั่งก็ไม่คันเดินก็ไม่ไม่สากอะไรมันก็เรียกว่าไม่สากเท้าอะไรต่างๆพวกนั้นน่ะนั่นคือบ้านสะอาดอยากไจก็ไม่มีมองไปดูมันราบเรียบถึงไม่สวยหรูงามขนาดไหนแต่มันมองดูความสะอาดความสะอาดเหมือนใจของเราเนี่ยกายสาาะอาดเพราะฤาษี ใจสะอาดด้วยธรรมน่ยเนี่ยกายสะอาดด้วยศีลใจสะอาดด้วยธรรมพอใจมันสะอาดด้วยธรรมเนี่ยญาติโยมท <S 1> <S 1> ั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยก็กลายเป็นหนึ่งกลายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งเน่ยกายนิ่งใจนิ่งกายสงบกายจิตก็อิ่มกายก็อิ่มนี่ยน่ยมันอิ่มเพราะความพอใจความพอใจที่เราได้เยอะได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นระความชั่วกระทําความดีตัวนี้ญาติโยมทั้งหลายกําลังทําความดีกันอยู่ กำลังทำความดีไม่ได้ทำความดีตามหัวใจของเรานะแต่เป็นการทำความดีตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นาความดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นําไปสู่ความพ้นทุกข์ทั้งสิน้นนาเราจะปารถนาหรือไม่ปรารานาความพ้นทุกข์ของโยมมันมีอยู่แล้วภพชาติของโยมจะ น, น้อยไปอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะขณะที่โยมทําความปา้าความเพียนเจริญสมาธิภาวนาอยู่นี้จิตของโยมไม่ไปละเมิดเพลิดมากไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นไม่ไปแก่งแย่งจริงดีไม่ไปส่งจิตออกไปทั้งโกรธทั้งแกงทั้งเกลืองอะไรต่างๆสารพัดนา <c oughs> จิตส่งออกไม่มี ไปในสิ่งที่ในทางชั่วช้าเร็วตามไม่มีแต่จิตมันไม่ส่งออกแต่มันอยู่ภายในมันรู้อยู่มันรู้อยู่ขณะที่นั่งมันรู้อยู่ขณะที่ฟังมันรู้อยู่ขณะที่ประพฤติปฏิบัติกายมันก็สงบจิตมันก็สงบเพราะกายมันสงบจิตมันหลบนี่แหละก็เรียกว่าทำมาสู่ใจแล้วเหมือนบาทชิ้นั่นแหละพอได้ยินธรรมคาสอนพระเจ้าใจจิตขงก็สว่างสวัยนั่นแหะเพราะ อุปาติสสะมองไเห็นนั้นเองยังไม่ได้ยินได้ฟังเล ย, เ, ลยเห็นแค่รูปร่างเท่านั้นเองนะก็เกิดศรัทธาแล้วนะั่นนะเพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะเราเห็นไปปั๊บนี่ยเรามองไปของไหนสวยของเมไหรไม่สวยดอกไม้นั้นนอกไม้ไหนนั้นดีนอกไหนไหนไม่ดีอะไรต่างเราตามองเราก็รู้แล้วเราไม่จ ต, ต้องไปจำสัมผัสหรอกนะแต่นี่สัมผัสได้ทางตานะพอเห็นปั๊บก็อินทรีนะั้นจิตก็ศรัทธาเรื่มใสก็คอยพอพระอ า, าอะจาตจิตอาจาร์จังหารเสร็จเรียบร้อยก็เลยถามเลย นาะดูก่อนผู้โสนาะพันเตอยากทราบว่านาะท่านอยู่ในหัวใจของท่านนั่นน่ะเลยรู้ทรรมอะไรอินทรีย์ของท่านจึงผงองยปานนี้ อ๋อป้าสจิก็บอกเราเพิ่ง เ, เป็นผู้ผู้บวชใหม่เพิ่งจะบวชเมื่อวานนี้เองอย่ามาหาเราจะมาถามเราเลยตรงไปหาอาจารย์ของเราตถาคตนันะ่นแหะอยู่ห่างไม่ไกลจากที่นี้เท่าไหร่นะแต่ความที่สนใจนะ่นน่ะใจที่มันสนใจแล้วยยาเลยนายาเลยขอท่านจงบอกหัวข้อธรรมนั้นให้เราก่อนเราไม่ไม่รู้เลยว่าละเอียดพิศปานไม่อีพิสดาเราไม่รู้หรอก นะเราไม่รู้ไม่ต้องรู้ซึเรื่องของพิสดารจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอยู่ที่ตัวเราขอให้ท่านจงบอกหัวข้อทำนะนะั่นแหละความมันเป็นเพระเห็นปั๊บมันก็รู้แล้วไงนาะนะดูเห็นได้กลิ่นปับ๊บมันก็รู้ว่าแกงลูกหม้อนี้จะอร่อยแม่อร่อยนะนะั่นแหละเพราะตักชิมเท่า น, นั้นเองนะั่นแหละเพราะอาจารย์ชีพอบอกกันนะนะเอา้าเมื่อท่านถามอย่างนี้เราก็จะบอกแล้วบอกหัวข้อทำว่า ตถาคตตัดว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตตัดเหตุเราทําเหล่านั้นและความดับเองทำเหล่านั้นเพียงแค่พูดแค่นั้นแหละเพราะว่าคนเราที่มันเกิดได้เพราะมันมีกรรมไอ้คนที่มันติดคุกติดตารางพิกงพิการแล้วก็มีกรรมไอ้คนที่มันทำอะไรมันไม่ประสบความสําเร็จเลยต่างๆเลยเนี่ยนะมันมันมันมันมีแต่ปัญหาปัญหาตลอดเลยเน่ยนะทั้งๆที่ในครอบครัวของตัวเองเป็นลูกของตัวเองมันยังสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นนั่นแหะเพราะกรรมนั่นแหลมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่พระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตนี พระพุทธเจ้าก็ปกคองปกตรอดักรู้มาแล้วก็ปกครองด้วยปกครองด้วยศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมให้สาวกสาวกทั้งหลายทั้งปวงบนไข้เขเข้ามาสั็จมาปั๊บก็ฟังธรรมก็เข้าใจธรรมทันทีเข้าใจธรรมทันทีพอเข้าใจธรรมไปทําความภาคความเพียรก็ปปั๊บก็ได้ก็เกิดความรู้และความเข้าใจในธรรมขึ้นดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นไอดวงตาเห็นธรรมมันเห็นอะไรล่ะก็ไม่เห็นความเป็นสัจธรรมความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย น่นะมันมาตามเหตุตาผลของมันเนี่ยแก่มันเราก็คิดว่ามันแก่เราก็ว่ามันแก่ว่ามันเจ็บมันตายนั่นก็คือเป็นอาการของมันเฉยแต่ตัวเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเพราะ ตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีใครจะแก่ใครจะเจ็บใครจะตายเนี่ยตอนพบตัดชาติไปต่อไปข้างหน้ามันก็ไม่มีตัวเราถ้าเราไม่เข้าใจเราเข้าใจว่าตัวนี้ไม่ใช่ของเร า, า, ากร า, ร 88, ายนีญญญญ้ไม่ใช่ของเรารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราถ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราเราต้องบงังคับมันได้เนี่ยได้แก่รูปอย่าได้เป็นอย่างนั้น นาเวทนาจะได้เป็นอย่างนั้นนาเสียงจะได้เป็นอย่างนั้นกลิ่นจะได้เป็นอย่างนั้นรสจะได้เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นไปเพื่อหาพาดอย่าจาเป็นไปเพื่อทุกเวทนาจงเป็นไปเพื่อสุขไปเดียวนั่นถ้ารูปมันเป็นของเราเราก็ต้องสามารถบังคับมันได้แต่นี่รูปมันไม่ใช่ของเราเราจึงบังคับมันไม่ได้เพราะเราคับไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ของเราเมื่อปยชน์ของเรามันอยู่กับเราเราก็มองดูมันใช้มันไปใช้มันไปเหมือนบ้านเนี่ยเราก็อยู่ไปมันพังแล้วว่ามันพัง ของก็ใช้ไม้สอยต่างๆเราก็ใช้มันไปมันพังเมื่อไห่มันก็ทิ้งไปแต่ถ้าเรายึดติดเมาไหลหรือล่าโสกะบริตโสกาบริเทวทุกขโทมานาสุภายาซาปิตุขามันจะเกิดขึ้นกับเรามันจะเกิดขึ้นกับเราไอ้ตัวนี้แหละมันทําให้เรานั้นทุกข์ทำให้เรานั้นมีเวทนาทําให้ภพชาติของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นหนอทโทอแท้หดหู่ไปเนี่ยอะไรวะโสกะปริเทวทุกขโทมานาสุปายาซาปิตุกขา อัมพีเยหิส e ัมปโยโคตุโคนั่นแหะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อจิตมันไม่เข้าใจแล้วอะไรมันก็ทุกหมดอะไรมันก็ทุกหมดนั่นแหละเพราะฉนั้นเราและท่านทั้งหลายหัวข้อธรมธรมอตมายกขึ้นไว้เป็นนิกเขปปบทเบื้องต้นว่าธรรมจะจาริงสุขขังเ ส, สติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขเพราะนั้นโยมก็เอาธรรมมาสูตใจ เมื่อโยมมาทำมาสูตรใจใจของโยมมีทําแล้วเมื่อใจมันมีทําแล้วเนี่ยแล้วทาจะทํายังไงไปตั้งอยู่เฉยๆหรือมันไม่ใช่ไอ้ที่เราเอาซื้อข้าวามาซื้อเสื้อมาซื้อเสื้อมาเพื่อจะใส่เพราะเสื้อมันสวยซื้อกระเป๋ามาจะเอามาถือเพราะกระเป๋ามันสวยมันถูกใจซื้ออาหารเดินไปซื้ออาหารมาเพื่อจะเอามาทานเพื่อต้องการเอกทานให้มันมีรสชาติ ของเน่าของเปื่อยเราไปซื้อที่ไหนเราไม่ซื้อเราไม่เข้าใกล้ด้วยต่างหากของไม่ดีเราก็ไม่เข้าใกล้นั่นเพราะเราไม่ได้สนใจน้อมันเข้ามาแต่นี้ของมันดีเราจึงน้อมันเข้ามาน้อมมาสูดใจเมื่อเราทํามาสูดใจแล้วใจมีธรรมแล้วเราก็ประพฤติไปติไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปตามธรรมละชั่วทําดีเนี่ยทำละชั่วก็คือทั้งศีลห้าไปนั่นเน่ยกุสลสูปั้นรรบัทานั่นยังความดีให้ถึงพร้อมนั่นเนี่ความดีทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอยู่ในโลกนี้เอาให้มันถึงพร้อมทางกาย ก็เอาทางวาจาก็เอาทางใจก็เอาทางจิตของเราก็เอาเอาความดีให้มันถึงพร้อมเมื่อความดีมันถึงพร้อมแล้วนั่นน่ะใจตั้งมั่นอยู่ในความดีนั้นการสแสวงหาอย่างนี้เป็นการสว่างหาด้วยเหตุและผลนะแสวงหาความจริงในความจริงเนี่ย เมื่อเราทำไปแล้วเราก็จะเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นอะไรบางทีมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่พุทธเจ้าตัดว่าไตรรักไตรรักนั่นน่ะไตรรักเป็นสามัญญรัตระที่เสมอกันกับสังขารทั้งหลานทั้งปวงน่ะสังขารที่มีชีวิตมีวิญญาณมนุษย์และเดรชานสังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณเช่นต้นไม้ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ที่เรียกว่ามีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณสังขาาาทททีีีี่่่ไมมมัั้้งงชววิิิตญณแแผนนดละภูเข นะแล้วสังขารที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นอีกมากมายกายกองนะนะั่นน่ะเครื่องเป็นเครื่องบริโภคก็ตามเป็นเครื่องอุปโภคก็ตามนะนะั่นน่ะสังขารทั้งหลายทั้งปวงสองประเภทนี้ทั้งมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นธรรมาชาติปรุงแต่งขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นนั่นนะ่ะ <c oughs> ร่างกายของเราพุทธเจ้าตรัสว่ามีอายุเพียงแค่ร้อยปีนะแล้วแล้วมันเกิดขึ้นมาจากสังขารอาการเกิดขึ้นมาจากธาตุจงโกรวมตัวกันอยู่แล้วมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพระุทธเจ้าตารัสไป นั่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจมันเมื่อเราเข้าใจมันมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเราเข้าใจมันแก่ยอมยอมรับเจ็บแล้วก็ยอมรับตายแล้วก็ยอมรับทีนี้เมื่อเรายอมรับแล้วเนี่ยมันทําให้ใจของเราเนี่ยไม่หดหูเห็นคนแก่ก็ไม่หดหูเห็นคนเจ็บก็ไม่หดหูยอมรับสภาพแห่งความเป็นจริงเมื่อเรายอมรับสภาพแห่งความเป็นจริงจิตของเรานั้นน่ะก็ค่อยๆถอนออกมามองเห็นพ่อเห็นแม่ปู่ย่าตายายคนที่เรารัก คนที่เราเติร์ดทูลบูชาล้วนแล้วแต่เป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งสิน้นพอรามองอย่างนี้ใจมันก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นมันรู้ว่า น, นี่ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราต้องบังคับมันได้เมื่อเราไม่เรียนของเราความกลัวมันก็หายไปเบาลงไปความทุกข์ว่าความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายมันก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปต่อไปข้างหน้าเราพิจารณามันมากๆฉลาทำมุมหิจรังอนัตติโตพยาที่ทำมุมหีปยาจริงอนัตติโตมรณะทำมุมหีมรังอนัตติโตนี่สามอย่างนี้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายพระเจ้าตรัสว่าเป็นของธรรมดาพอเราพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปนั่นก็ให้เราพิจารณาความเกิด ความแก่ความเจ็บความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะนะั่นแหะมันจึงทําให้ใจของเรานั้นเข้าใจธรรมะเมื่อใจของเราเข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงปั๊บใจเข้าใจแล้วใจก็จะเป็นสุขนะนะั่นเขาเรียกวัดดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้น นัตติสันติปรังสุ ข, ขังนั่นยอดโยมทั้งหลายกายก็สงบจิตก็สงบนั่นแหละนี่เรียกเรียกว่าหลวงปู่เจี๊ยจึงได้บอกว่านัตติสันติปรังสุ ข, ขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีแล้วเราจะทําอย่างไรถึงจะสามารถทําให้กายและใจของเราอยู่กับความสงบให้มากที่สุดนั่นแนหะวิเยทุกขมัดเจตินั่นนะหัวข้อทำข้อที่สองอาตมายกขึ้นไว้เป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่าวิเรยทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกข์เพราะอาศัยความเพียร เปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนก็ไปทํำก็ไปทํำก็ไปทํำก็ไปมันจะอยู่ได้อย่างไงไม้มันหยาบขนาดไหนก็ดาซ้ายขัดไปขัดมาขัดไปกันมามันยังลื่นมันยังเรียบมันจังสะอาดเรียบร้อย ในชันใดก็ตามจิตของเราก็เหมือนกันผ้ามันสกรปรกจิตมันสกรปรกเรายอมรับอยู่ว่าจิตของเรามันสกรปรกมันเกิดขึ้นตอนไหนเราก็ไม่รู้ขณะที่มันเกิดขึ้นเรายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นมึนขึ้นมาแล้วเรารู้เราไปติดอยู่ในรูปรถกินเสียงไปติดกล้องอยู่ใน <c oughs> ละโมบโลภมากนั่นนะ่ะกิเลสตัวใหญ่ตัวแม่เลยนะ่โะโลภโทสะโมหานั่นนะ่ะนี่คือตัวแม่เลยลูกเต้ามันอีกมากมายกายกองนั่นนะ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนเนี่ยเมื่อเราสามารถเข้าใจกิเลสตัวใหญ่แล้วเราก็ค่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับมันรังเกียจมันเลยไม่ต้องไปรังเกียจมันหรอกหน้าที่ของมันอยู่มันก็อยู่ไปหนาความโลภมันก็อยู่ของมันไปนเราไม่เกิดมามันก็เกิดของมันมีอยู่แล้วความโลภความโกรธความหลงอะไรตังๆมันมีของมันอยู่แต่เราไม่ไปยุ่งกับมันนั่นเอง ของมันเหม็นยาวไม้ไปแย่ย า, าไว้ไปเขียเขียมันก็ยิ่งเหม็นใหญ่หัวใจของเราเราก็รู้อยู่ธรรมะมันก็มีของมันอยู่เพราะนั้นเราก็เอาสิ่งที่เราเนี้ยมาใช้เมื่อเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนทำยังไงจึงจะทำให้จิตของเรานั้นรู้แจ้งเห็นจริง ในสิ่งที่เราควรรู้ควรเห็นเมื่อทำมันมาสู่ใจสมาธิมันสูดใจแล้วใจของเรามีสมาธิแล้วเราได้รับความอิ่มเอิบความเบิกบานจากการนั่งสมาธิเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ที่นักกนิกะสมาธิอุปจระสมาธิอัปปนาสมาธิอัตมาเชื่อมั่นว่าเมื่อเราได้บริโภคทำทั้งสามอย่างนี้เข้าไปในหัวใจของเราแล้ว หัวใจของญาติโยมทั้งหลายที่มันขุนมัวอยู่นั้นนะมันจะเริ่มผ่องใสขึ้นสงสัขึ้นนี่แหละก็เรียกว่า <IS antes> ดวงตาเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเมื่อดวงตาเห็นธรรมมันเกิดขึ้นธรรมนั้นมาสู่ใจเราแล้วเมื <ates> ่อธรรมมันสู่ใจแล้วแล้วเราก็เอาใจของเรานั้นประพฤติปฏิบัติตามธรรมนะรู้แล้วก็เรียกว่ารู้แล้วเมื่อรู้เราในธรรมแล้วทำทำให้แจ้งขึ้นสตะให้มันรู้แจ้งขึ้นเตะเรารู้ธรรมแล้วน่ะทำทำนั้นให้แจ้งขึ้นนี่ญาติโยมทั้งหลายกําลังทําให้แจ้งขณะนี้อยู่ ในห้องนี้กำลังทำทำให้มันแจ้ง ทําให้มันแจ้งขึ้นว่าการนั่งสมาธิเป็นยังไงเป็นยังไรมันมีความสุขจริงหรือเปล่านะการนั่งสมาธิตัวนั่งแบบไหนถึงจะให้มันจิตมันสงบแท้จิตมันนิ่งเอามันก็นั่งไปตามนั้นท่นานผู้เฟื่องบอกว่าให้นั่งสมาธิภาวนาแบบนั่งให้ถึงใจคาว่านั่งถึงใจเป็นไงเป็นกันเป็นไงเป็นกันนะะระหว่างที่นั่งไม่ต้องส่งจิตออกนะระหว่างที่ทําความเพียรจนความความเพียรอยู่ไม่ต้องไปวิตกไม่วิจาร์ตั้งสื้นปิดหูปิดตาปิดจิตเสื่อบ้างนั่นนะเราจะได้นั่งนอนสบายนั่นเมื่อมาเราทำภา นาให้มันถึงใจไม่ใช่ภาวนาเพียงแค่ถูกใจภาวนาให้มันถึงใจเป็นไงเป็นกันเป็นไงเป็นกันน่ะมันเจ็บมันปวดมีอะไรต่างอยู่อย่าไปสนใจมันเอาจิตมาอยู่กับความสงบอย่างเดียวเมื่อจิตอยู่กับความสงบนั่นก็เรียกว่าภาวนาถึงใจน่ะนี่นก็เรียกว่าทําให้มันแจ้งให้มันรู้แจ้งไอ้ Munich, ที่มันรู้อยู่แล้วเนี่ยรู้มาจากเทศบ้างรู้มาจากฟังคนนู้นคนนี้พูดบ้างอ่านหนังสือบ้างรู้มาจากตํำรับตําลาทั้งหลายทั้งพวงนี้ก็เรียกว่ารู้ รู้ทำความรู้นั้นให้แจ้งขึง้นน่ะทำความรู้ให้แจ้งขึ้นนี่ขนขณะที่โยมนั่งภาวนาเนี่ยทำรำรู้ให้แจ้งขึง้น เมื่อเรารู้แจ้งแล้วเราทําให้มันเห็นจริงเอานั่งสมาธิไปนั่งไปนั่งไปนั่งไปนั่นความสุขมันก็เกิดกว้าขึ้นนัตจิสันติปรังสุขังสุขตื่นนอกจากความสงบไม่มีโอ้ที่เราเดินไปนู่นไปนี่คิดนู่นคิดนี่บางทีคิดไปแล้วก็ห้อนคิดคือก็ไปกระทุกแต่มานั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยฟังเทศไปก็ฟังไปฟังไปจิตก็ทํางานของเราไปทํางานของเราไปนั่นก็เรียกว่ามันเกิดความสงบสมาเป็นสมาธิกับการฟังธรรม นันะก็เรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วตัวนี้เห็นจริงแล้วไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครว่าคนนู้นเขาเล่าคนนี้นเขาเล่าเขาก็เล่าคนนู้นก็ว่าเป็นอย่างนั้นคนนี้นก็ว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นของเขาแต่ของเราเราทำแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นสมาธิเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าสมาธิของเรานั้นอาจจะประกอบด้วยปัญญาหนาเป็นสัมมาสมาธิหนาประกอบด้วยปัญญาสมาธิไม่ใช่สมาธิหัวต่อ ไม่จสมาธิเหมือนเนื้อติดฟันเหมือนที่หลวงตาหลวงปู่มั่นว่ากับหลวงตานะั่นสมาธิที่เหมือนเนื้อเห น, อเนือติดฟันคือนั่งโดยอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> กี่ชั่วโมองกี่ชั่วโมองนั่นนะเข้าชานก็อยู่อย่างนั้นแหละ มันจะอยู่กันนานไหนสาวันเ็ดวันอะไรต่างๆเหมือนฤาษีชีภัยนั่งมาตลอดชีวิตก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติขึ้นมานั่นน่ะนั่งมาตลอดชีวิตก็ไม่เคยสําเร็จเลยไม่เคยเข้าใจเลยก็มันนั่งเอาตสมาธิมันนั่งเอ า, สม า, มเอาสมาธิอย่างเดียวมันไม่ได้นั่งเอาปัญญานี่แต่พระเจ้าเนี่ยนั่งสมาธิทำไงเนี่ะคนเราต้องเกิดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เห็นอยู่แล้วน่ะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นสมณะน่ะมันก็เห็นอยู่นั่นน่ะไม่คนอื่นเห็นก็ยังเล่าไม่น่ะตัวเราเองเห็นแล้วถามฉันนะว่านี่คนนี้ต้องทําไม แก่ด้วยนะคนทุกค น, นกันนาเขบอกว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ทุกคนน่ะพระองค์ก็ตบอกของตัวเองนะ่ะตบอกว่าแม้แต่สิทธิษฐาราชกุมารก็ยังแกง่แก่หรือก็แก่เหมือนกันพระเจ้าค่ะเอา้าแล้วทำไมต้องเจ็บด้วยละ่ะคนในโลกนี้เจ็บเหมือนกันหมดพระเจ้าค่ะอาตัวเราเองก็อสิทธิษฐาก็ยังเจ็บเหมือนกันเด้อเจ็บเหมือนกันหมดทั้งโลกนี้ท่าพระเจ้าค่ะแล้วฉะนั้นเว็นละลาลทําไมต้องตายด้วยละ่ะคนในโลกนี้ก็ต้องมีตายเป็นธรรมดา แม้แต่ตัวติฏฐาธราชกุมารก็ตายเรื่องนั้นเหรอตายเหมือนกันพระเจ้ากานี่แหละคือเป็นเหตุทําให้พุทธเจ้าเห็นความแก่ความเจ็บความตายนั่นแล้วเห็นสมณะหนทางแห่งสมณะก็คือนั่งซิ่งสงบนั่นแนหะแต่พุทธเจ้าไม่ได้สงบอย่างเดียวจิตของพระเจ้าสงบกายพระเจ้าสงบแต่จิตของพระเจ้าทํางานทํางานเลยคิดค้นเนี่ย คิดคนว่ารูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราหรือเปล่ารูปเวตนาสัญญาสังขารเป็นของเราหรือเปล่ากายนี้มันประกอบด้วยอะไรจึงได้เป็นกายเนี่ยนาเทวดาประทานมาให้หรืออะไรต่างมาทานให้มันเป็นธรรมชาติสังขารนี่มันเกิดขึ้นธรรมชาติไม่ใช่เทวดาประทานมามันมาอำนาจตามแห่งนัทแห่งกรรมนาจิตของคนเราทั้งหลายทั้งปวงจึงมีสภาวะไม่เหมือนกันเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตจระดวงแจระดวงที่นั่งอยู่นี้เหมือนกันที่ไหนแต่โยมําเหมือนกันแต่เมื่อ มันถึงที่สุดแล้วเนี่ยจิตของโยมจะเหมือนกันทั้งหมดนะเมื่อมันถึงนิพพานแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกันทั้งหมดถึงแม้ว่าจะเป็นแสงสว่างหรือสว่างน้อยสว่างมากมันอยู่ที่แหล่งเทียนมันอยู่ที่แหล่งเทียนมันไม่ได้อยู่ที่ว่าหลอดไฟหรือกระแสไฟกระแสไฟเท่าเดิมแต่มันที่สว่างน้อยก็พระบารมีสะสมมาน้อยบุคคลที่มีพ่อคุเมฆครูบาอาจารย์ที่มีบารมีมากๆสอนมันอย่างองค์หลวงตามหาบัวนะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั้นหลวงปู่ เสานั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่เทศหลวงตาท่านโบลงโบลีท่านโบอเฟื่องหลวงปูงงป่เจี๊ยนี้ท่านสะสมบารมีมามากเกาเรียกว่าเป็นหลอดไฟที่มีหลอดพลังงานมากเมื่อแสงสว่างมันก็สว่างสว่างมากแต่ตัวงหลอดน้อยๆมันก็สว่างอยู่แต่มันน้อยๆเพราะมันมันมีแสงน้อยมันมีไส้ เ, เล็ก มันก็สว่างน้อยชั้นใดก็ตามมนุษย์เกิดมาจึงมีสภาวะไม่เหมือนกันนี่การประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้เราเล่นความเพียรอย่างนี้นี่แหละเราทําให้แจ้งนะี่ยนะเรือว่าเอาทำมาสู่ใจเมื่อใจมีธทำแล้วนะั่นน่ะมันก็รู้แจ้งทําให้มันรู้แจ้งขึ้นมาจริงๆว่าอ๋อรูปที่ไม่ไม่ใช่รูปของเราเวทนาไม่ใช่ของเราสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราก็เพราะมันไม่ใช่ของเราจริงๆไม่ใช่เพียงแต่พุทธเจ้าพูดไว้ว่าอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่ของเราจริงๆ เมื่อเราเข้าใจจริงๆเอา้านั่นกระดูกก็นั่นธาตุดินนั่นเหลวๆนั่นธาตน้ำอุ่นๆนัน่นธาต์ไฟนั่นขึ้นไปข้างบนได้ลงเบื้องต่ำได้เผยลมบ้างลมออกทางจมูกบ้างลมเลอบ้าง น, น, านั่นธาตลมนั่นน่ะนั่ะธาตที่ไหลไปไหลามานั่นธาตน้ำนั่นน่ะน่ที่เดินไปเดินมานั่นก็เรียกว่าอาวิญญาณธาต นี่ที่ทำให้มีชีวิตอยู่ได้ต่างๆด้านนั้นอากาศธาตุมันรวมตัวกันอยู่ตนนัเองถ้ามันแยกกันเมื่อไหร่พังมันนั้นเน่ะแล้วมันมีอะไรที่จะยับยั้งได้เละในโลกนี้ไม่มี ถึงแม้ว่าจะมีบารมีเป็นศาสตาเอกของโลกก็ไม่สามารถจับยางความแก่ความเจ็บความตายไปได้เพราะภูเขาทั้งลูกเราว่ามันแข็งแรงขนาดไหนภูเขาทั้งลูกมีตะหินทั้งนั้นเลยและในที่สุดมันก็พังนั่นอินโดนีเซียภูเขาละลายนั่นน่ะเคลื่อนพุ่นพ่นพ่นพ่ น, น, นขึ้นมานั่นน่ะที่เรียกว่าภูเขาไฟภูเขาไฟนั่นแหละคือความมันไม่สามารถเป็นเที่ยงได้ให้เราเห็นว่าของแข็งขนาดไหนเมื่อมันถึงเวลามันละลายปั๊บมันก็ต้องละลายมันพังก็คือพังแผ่นดินนิ่งคนภูเขาเราการน่นนะฝนตกมากน สอกเข้ามาต่างๆไม่มีอะไรยึดติดเลมันก็สไลด์ลงมาน่ะ น, นี่แหละกระท่านทั้งหลายแล้วกายของเราเนี่ยเป็นกายอันประกอบด้วยดินน้ําไฟลมเนี่ยมันจะมีอะไรแข็งแรงมันจะมีอะไรถาวรแล้วหินยังพังได้น่ะปีรามิดปิระมิดที่สร้างโดยหินทั้งหลายมันพังไหมมันก็พังแล้ว ล, ง, ล, ง, ลงโอปัญญาย่โกโน้อมทาเหล่านั้นมาสู่ใจเราแล้วก็พิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมามาดูแล้วน่ะ นั่ะเพราะฉะนั้นพระุทธเจ้าจึงสแสดงธรรมมาจากอนัสูตรทําให้ปัญจวัคคีได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วขอบวชเมื่อขอบวชเอาเอา เ, าเรียกเอากรรมาฐานไปประพฤติปฏิบัติพิจารณาไปพิจารณาไปพอเกิดตานั้นก็คือจิตกําลังมีกำลังเป็นเนี่ยพุทธเจ้าไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเนี่ยสแสดงธรรมกันที่สองเลยอนัตตะคณสูตรเลยนะอนัตตะกณสูตรมีใจความว่ารูปเวทนาสัญญาสัญถานวิญ ญ, ญาณนะพุทธเจ้าถามปัญจวัคคีว่าออ เเรียกว่าขันทั้งห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเนี่ยเป็นของเราหรือเปล่าไม่ใช่ครับเที่ยงไหมไม่เที่ยงครับเป็นไปเพื่อถาวรหรือเป็นไปเพื่อเสื่อมโทรมเป็นไปเพื่อเสวมโทรมครับรูปไม่เที่ยงสัญญาสังขันวิญญาณเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยง รูปเป็นเป็นตัวเป็นตนเราไหมไม่ใช่ตัวเป็นตนถ้าเป็นตัวเป็นตนแล้วซ้ายจะต้องไม่เป็นไปเพื่ออาพาธไม่เป็นไปเพื่อเจ็บไม่เป็นไปเพื่อทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อแตกไม่เป็นไปเพื่อสลายแต่นี่มันไม่ใช่ของเราเนี่ยพระองค์ก็พิจารณาลงไปนั้นก็ถอนหมดเลยเน่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญานปัญญาโกฏิย์เข้าใจทันทีเพราะมีปัญญาอยู่แล้วก็เข้าใจทันทีเข้าใจทันทีก็เหมือนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพอฟังแล้วเข้าใจแล้วก็โอปัญีโกน้อมทาเหล่านั้นไปสู่ใจเมื่อน้อมนําเรานั้นไปสู่ใจป ใจมันก็โล่งขึ้นมาทันทีอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้ น, นี่เองเป็นงี้นี่เองมันมันเข้าใจธรรมนันก็ว่ารู้แจ้ง เห็นจริงเนี่ยเนี่ยเมื่อทำเองเนี่ยเป็นคนอื่นเขาทำก็ของคนอื่นเรายังไม่ได้ทําเราก็ยังไม่รู้เนี่ยนีพอเราทําเองปั๊บรู้แจ้งเห็นจริงเห็นจริงในทําอะไรในการทําที่ควรรู้ควรเห็นอะไรเ่ที่ควรรู้ควรเห็นรูเปเวทนาสัญ ญ, ญาสัญญญา้งขันวิญญาณนั่นะนะเกิดแก่เจ็บตายนั่นเราทําที่ควรรู้ควรเห็นอันนี้จังทุกขังอนาตานั่นสิ่งที่เราควรรู้ควรเห็นนี่แหละท่านทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีธรรมมาสูดใจใจมีธรรมประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมแล้วธรรมก็ถึงใจเพอธรรมมาถึงใจ แล้วทีนี้มันมันแล้วมันมันแล้วมันไม่ได้สนใจแล้วมันนั่งภาวนาประจิตมันสงบแล้วมันใครเรียกให้ลุกมันก็ไม่ลุกให้ถอนมันก็ไม่ถอนแล้วมันนั่งนิ่งอยู่งั้นมันเป็นหัวตออย่างนั้แต่ทํางานจิตมันทํางานติูติวติวติวติวติวติวอยู่นั่นแหะพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมานั่นแหะ นะครัมันก็ไบพิจารณาลงไปพิจารณาอาชีวะปัจจัยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานั้นมันไปสู่ปฏิจสมุปบาททันที มันไปสู่ปฏิจสมุปปาบาททันทีมันเข้าใจสังขานทั้งหลายทั้งปวงพอมันเข้าใจเสร็จแล้วงมันก็ทําก็ติ้วติ้วนั่นเมื่อทําสู่ใจใจมีธรรมประพฤติปฏิบัติไปตามธรรมธรรมก็ถึงใจพอธรรมถึงใจปั๊บมันไม่กลัวแล้วตอนนี้แกไม่กลัวเจ็บมันก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวนั่งเมื่อยต่างๆใครจะมาชวนไปไหนไม่ไปทั้งสิ้นพอได้เวลาปั๊บเข้าห้องสมาธิภาวนาเท้าฝวาทับเท้าใต้มือฝวาทับมือซ้ายหลับตาเสร็จเรียบร้อยจิตสงบปั๊บ แต่จิตทํางานทันทีพิจารณาติวติวติวมันจะติวไปไหนมันก็มีมองดูตรงส่วนนั้นส่วนผมส่วนตาหุ่นหูจมูกลิ้นกายใจอวัยวะในร่างกายวัชระภายในภายนอกที่มันอยู่ในร่างกายกันอยู่เรื่งต่างเนี้ยร้อนแล้วแต่เป็นอันติจังทั้งสิน้นแต่ถามว่ามันพังเหมือนเท่ากันไหมพังเวลาเดียวกันมันพังคนละเวลาบ้านเนี่ยที่มันพังในทั้งหมดเนี่ยต้องลือนี่นะมันไม่ใช่เสาพัง บางทีเสายังไม่พังส่วนอื่นพังมันก็ต้องรื้อขาพังฝาพังบางทีของในบ้านยังใช้ได้อยู่เหมือนกันสังขารร่างกายของเราก็เหมือนกันนะบางทีนั้นตาก็ยังดีอยู่มือแขนก็ยังดีอยู่ร่างกายก็ยังดีอยู่ผิวพรรณก็ยังดีอยู่อะไรต่างๆดีหัวใจมันไม่ทำงานแต่อย่างเดียวพอหัวใจไม่ทำงานตัอื่นพังหมดเหมือนกันบ้านก็เหมือนกันนะ ฝาดีพื้นดีอะไรต่างๆดีคานดีตรงดีกั้งคาดีต่างๆนี่แต่เสาไม่ดีเพราะเสาไม่ดีมันพังลงมามันก็ ด, ดังดังอื่นพังลงมาหมดเนี่ยวววัฒน์ในร่างกายของเราก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนให้เราพิจารณาดูให้ดีเมื่อเราพิจารณาดูให้ดีแล้วเนี่ยก็เรียกว่าเมื่อทำมันถึงใจมาเมื่อทำมาสูดใจ ใจมีทรทมก็ถึงใจเพราะทมถึงใจไปนี้มันไม่มีอะไรฝังแล้วนะมันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความว่างเปล่า เนี่ยก็เรียกว่าเมื่อทำถึงใจแล้วนี้พอทําถึงใจแล้วก็พิจารณาไปพิจารณาไปเจริญสมาธิภาวนาเจริญสมาธิภาวนาไปภาวนาไปภาวนาไปใจมันก็เริ่มแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นสิ่งที่ยังไม่เคยรู้ก็ได้รู้ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัสได้สัมผัสขึ้นสิ่งที่ไม่ได้เคยได้เห็นก็ได้เห็นขึ้นเห็นอะไรล่ะเห็นความเป็นสัจธรรมรู้อะไรล่ะรู้ความเกิดความแก่ความเจ็บกำตายที่มันเป็นใจรักนั่นนหะ มันก็รู้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่คุณรู้คนเห็นพอ ร, รู้อย่างนี้ปั๊บจิตของเราก็จะไม่ประโมโภโลภมากมีสมบัติมาตรฐานมีแค่ไหนแล้วก็อยู่แค่นั้นไปทำไปกินไปวันหนึ่งแต่สิ่งที่เราไม่นิ่งเฉยก็คือการเจริญสมาธิภาวนานั่น สัมมาสมาธิของพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิหัวต่อสมาธิหัวต่อก็คือเหมือนดังฤษีชีพีไพที่เ็าทำก่อนพุทธเจ้านั่นน่ะนั่งจนหนวดงอกลงไปถึงสะดือบ้างผมยาวลงถึงก้นบ้างอะไรต่างๆบ้างทำอยู่อย่างนั้นน่ะ แต่มันก็อยู่กับสมาธิอย่างนั้นอ่ะเวเข้าฌานทีหนึ่งสิวันสิหวันเดือนหนึ่งแล้วมันเป็นอะไรเข้าฌานมันเป็นขนาดนั้นเป็นอะไรเป็นศาตราด า, าตัดพบตัดชาติเปล่าไม่ได้ตัดพบตัดชาติจับเพิ่มพบเพิ่มชาติเพราะนั่งภาวนาเพื่อเอาฤทธิเ์เอาเดชเอาฤทธิ์เอาเดชให้มีฌานมียาในเรตา่างไปยึดติดกับฌานอีกพุทธเจ้าหกบอกให้ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางแต่เราก็ไปยึดติดนั่นแหละเหมือนเราและท่านทั้งหลายทุกท่านะการภาวนาเหมือนก็เรียกว่าการภาวนาลงไปภาวนาลงไปเนี่ยภาวนาไปเพื่อให้จิตมันสงบ เมื่อจิตมันสงบเราจะได้พิจารณาทำได้ท่านพ่อเฟืองดึงบอกว่าตั้งทาาหกเนี่ยรวมต้าหกให้เป็นหนึ่งเดียวทำให้มันเหนียวแน่น้ะเกิดจะเกิดพลังเนี่ยคำว่าเหนียวแน่นเหมือนสัตายาโยมทั้งหลายที่นั่งสงบนิ่งอยู่นเนี่ยมันเกิดพลังถ้าไม่มีพลังโยมนั่งอยู่ไม่ได้หรอก นะมันโยมที่มีโยมมีพลังพลังอยู่ภายในนะั่นแหละพลังแห่งความสงบมันอยู่ในภายในของโยมโยมก็นั่งนิ่งกายก็นิ่งจิตก็นิ่งเนะี่ยกายสงบจิตสงบกลายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเนะี่ยมันเกิดพลังขึ้นพลังตัวนี้เรียกว่าสมาธิสมาธิมีปิติมีสุขมีเอกตาเป็นอารมณ์เนะี่ย ปิติขลุกขนพองตัวใหญ่ตัวเบากายใหญ่กายเบา etu, น้ำหูน้ำตาไหลนี่ปิติสุขนั่นโยมนั่งอยู่ท่าไหนอยู่ท่านั้นกี่ชั่วโมงก็นั่งอยู่ท่าเดียวนี่เรียกว่าสุขนั่งแบบสุขไม่กินน้ำไม่กินท่าไม่ต้องไปเข้าห้องลงห้องน้ำนี่สุขเนี่ย น, นะนี่ยนาสุขนนนะเนี่น่ยและเอขะตาลมเนี่ยเนี่ยกลายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งเนี่ยจิตกงโยมเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งเนี่ยพรอจิตเป็นหนึ่ ง, นนงกายเป็นหนึ่ง ท่านพ่อเฟื่องเนี่ก็บอกว่ า, ายกกิจขึ้นมาพิจารณาธรรมตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้ามองดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นธาตุที่อันประกอบการธาตุ้งกรวมตัวขึ้นเท่านั้นเองแล้วถึงเวลาปั๊บมันก็จะแตกไปตามสภาพ นี่แหละเราและทานทั้งหลายการตัดพบตัดชาติมันเกิดขึ้นตรงนี้นาการพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปมันก็พิจารณาลงไปมันก็เห็นเห็นอะไรล่ะเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ตั้งแต่หัวจดเท้าของเราตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาสู่เส้นผมตั้งแต่ภายในและภายนอก นั่นน่ะที่มันอยู่ในกายของเรานั่นล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมาชาติมันก็เกิดความรู้ขึ้นพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปมันก็เห็นเห็นก็เห็นอันเดียวกันหมดตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงลิ้นก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงผิวพรรณก็ไม่เที่ยงเล็บก็ไม่เที่ยงอวัยวะในร่างกายมันก็ไม่เทียเยเท่ยงนั่นมันเป็นทุกเป็นอนิจจานั่นน่ะสัพ ตรงเด้งทันทีเลยเมื่อเราเข้าใจงนี้จิตของเราก็จะถอนขึ้นจากการละโมบโลภมากการกันยึดติดมาสมบัติทั้งายทั้งปวงมีเงินเป็นแสนแสนล้านอะไรต่างๆขี่แสนล้านก็ตามไม่เกินร้อยปีไม่มันกัเราต้องจากกันไปข้างหนึ่งมันไม่ใช่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาติแต่มันผิดกันกับตรงที่ว่าอริยสัพย์ทรัพย์ที่เป็นภายในนี่ นะมีทั้งศีลมีทั้งสติมีทั้งสมาธิ ม, ม, าธมีทั้งปัญญานี่มันเป็นอริยทรัพย์มันเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่เป็นภายในเรามันจะไปส่งเสริมเราตลอดไปอยู่ที่ไหนมีพบมีชาติมันพบชาติเหล่านั้นก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปแต่โลกสร้างคนให้เพิ่มพบเพบิ่มชาติแต่ธรรมนั้นทําให้เหล่านั้นลดพบลดชาติเอาวางเพิ่มพบเพบิพ่มชาติเกิดขึ้นมาไม่เจอศาสนาจะเป็นเช่นไรเกิดขึ้นมาแล้วไม่เจอคนวิมีครูบาอาจารย์มันจะเป็นเช่นไรเหมือนลูกไม่มีพ่อมีแม่ ไม่รู้เลยว่าอะไรดีอะไรชั่วไ ม, ม่ในการรับการตักสอนมาแล้วทำเด็กเหล่านี้กลายเป็นเด็กที่มีปัญหาติดคุกติดจรางติดยาเสพติดไปหมดเพราะลูกไม่มีพ่อแม่ถ้าลูกมีพ่อแม่ปั๊บเนี่ยนะเหมือนคนเรามีธรรมนั่นะมีคำสอนของพระศาสดาชีวิตของเราก็จะคอยไม่ล่วงละเมิดสิ่งเหล่านั้นใจของเราก็จะมีขอบเขตเหมือนบ้านที่มีกาแพงนะ มีประตูหน้าต่างไม่มีอะไรจะเข้ามาได้ชั้นใดก็ตามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็เข้ามาไม่ได้เพราะฉนั้นเมื่อเอาจิตเพ่งจิตเพ่งเพชรพิจารณาไปพิจารณามาเกิดความรู้ขึ้นนั่นเรียกว่าปัญญาความรู้ขึ้นมันรู้อะไรรู้แจ้งรู้อะไรแล้วรู้แจ้งน่ะรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในกายของเราสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่นอกกายของเราที่มองเห็นด้วยตาสัมผัสด้วยมือทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังนาตาทั้งสิ้นก็เกิดเป็นปัญญาขึ้นเกิดเป็นปัญญาาเกิดควมรู้้ขึน พอเฟื่องนั้นบอกว่าเมื่อรู้ขึ้นมาแล้วเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปล่อยความรู้ทั้งหมดไม่ให้เหลือไอความรู้ที่มันเกิดขึ้นมาที่แรกแล้วเราก็ทําให้มันเกิดขึ้นมันไม่เกิดทําให้มันเกิดขึ้นสมาธิไม่มีทําให้มันมีขึ้นปัญญาไม่รู้ทำให้มันรู้ขึ้นเมื่อรู้เสร็จเรียบร้อยฌานหนึ่งฌนสองฌานสามฌานสี่้านห้าจนฌานสิบพอถึงฌานสิบปั๊บพอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ปล่อยวางลงปล่อยความรู้ทั้งหมดวางลงเมื่อปล่อยรู้ความรู้ทั้งหมดวางลงสุดสิ้นหมดแล้วเรากายเบาจิตเบา กายก็ไม่ใจของเราจิตก็ไม่ใ่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใจของเราทั้งหมดเมื่อเราไม่มีตัวเราไม่มีกายของเราแล้วความละโมบโลภมากนั้นจะเกิดขึ้นมาจากไหนความดิ้นรนเธอเยอะยานมันจะมาตัไหนไม่มีความดิ้นรนเธอเยอทะยานพบชาติของเราก็ถูกตัดลงไปตัดลงไปตัดลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปจนไม่มีอะไรเหลือนั่นก็เรียกว่า พอบอยวางหมดพบชาติทั้งหมดก็จบสิ้นนั่นก็เรียกว่าว่างเปล่าคำว่าว่างเปล่าเหมือนก็เรียกว่าเราและท่านทั้งหลายเมื่อทำสู่ใจใจถึงทำพอใจถึงทำปับ๊บเนี่ยมันก็เข้าใจในธรรมแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติได้ยินได้ฟังอย่างอื่นก็ไม่ มันไม่มันมันไม่มีคึกขนองเหมือนได้ยินได้ฟังธรรมมันรู้และเข้าใจในธรรมเมื่อทําถึงใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติโดยไม่ยำเกรงโดยไม่หวัดวันโดยไม่หวัดกลัวว่าความแก่ความหิวความกระหายความลำบาก าการลาเก๋นมันจะอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่หวั่นเกรงเพราะอะไรเพราะมันมีกําลังใจอยู่ในใจของเราแล้วทำถึงใจใจก็ถึงธรรมเพราะทำถึงใจใจถึงธรรมปั๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ปัญญาโกตัญญะที่ได้ดวงตายทำทั้งทั้งที่ปฏิเสธทำกรรมการกระท า, ทท า, ท า, ท า, ทาของมุเจ้าก็ยังได้ต้องยอมรับทำคําสอนมุเจ้าจึงได้มาเป็นผ้า ร, รานยศกุลบูตรฟังธรรมสองกันได้เป็นพผ้ารานยังไม่ได้บวชนั่น นะอูรู้เองกษปานาทีกษปะขยากษปะฉดิน3มพี่น้องได้ยินได้ฟังอธิตปริยายาสูตรเท่านั้นเองก็เกิดดวงตาเห็นทำขอบวชน่นนะจ า, จากสดินมันโปอยว่างหมดเลยนะโยมทำปรากฏขึ้นที่ไหนที่นั่นมีบัณฑิตมีนักปราชมีพี่รู้เกิดขึ้นจันที่นั้นไม่ว่าจะเป็นปาอิสิปตนะมฤกทายวันแขนเมืองพระสีปัญยวกีทัท้ง5้า ปลาที่ใกล้กับที่พระเจ้าตรัสรู้คือยศสุรบุตรเศรษฐีและบิดาเก่าและบริวารมากมายไก่กองที่นาบที่ที่ เทตะวันมหาวิหารก็มีนักปราชุดมีบัณฑิตขึ้นมากมายนั่นพระเจ้าบินไปสารเมืองบาลนสีนั่นทั้งพระเจ้าบินไปสารทั้งบริวารพระเจ้าบินไปสารสิบส่วนได้ดวงตาทําขอบวชมากมายนั่นทำที่ใหญ่ทำที่มันปรากฏขึ้นที่ใดสถ า, านที่นั้นก็มีบัณฑิตมีนักปราชุดที่มันมืดมนอยู่มันก็จะสว่างสว่างไปสว่างสวัยไ ป, ยไปเต็มอย่างเต็มที่เหมือนพระอทิตขึ้นมาเมื่อใดความมืดมิดทั้งหลายทั้งปวงก็จะหายเป็นปิดทิ้งไปเมื่อนั้นเมื่อความชัวม่วเข้ามาส ติอยู่ในหัวใจของเราเมื่อใดความสุขความเจริญทั้งหลายทั้งปวงมันก็หายไปเหลือแต่ความหม่นหมองเศร้าหมองอยู่กับความโกรธความทุกข์ความยากลำบากเมื่อสติปัญญาของเรามีอยู่เหมือนที่เรียกว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าสมาธิหัวต่อเหมือนเนื้อติดฟันเนื้อนั้นถ้าผ่านลำคอลงไปก็เป็นแกล่าธาตุทั้งหลายบำรุงร่างกายแ้่ผ่านลิ้นลงไปก็รู้รสชาติว่าเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อแมวเนื้ออะไรต่างๆเนื้อนกเนื้อปลาต่างๆมันมีรสชาติอย่างนี้ อย่างนี้มันก็ได้รสชาติมีประโยชน์แต่ถ้าเนื้อมันติดวันมันไม่เกิดประโยชน์ะลรเหมือนสุกเราติดสมาธิ นะอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานแต่ไม่เกีปัญญาสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าในมรรคบีองค์8ประการนั้นสัมมาสมาธิธมาธิต้องประกอบด้วยปัญญาต้องเข้าใจด้วยปัญญาคนเราจะพิจารณาตัดภ พ, พตัดชาติได้หมดภพหมดชาติได้ถึงมรรคผลนิพพานได้ต้องประกอบด้วยปัญญาสัมมาสมาธิสมาธิประกอบด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดจากสิ่งนี้สิ่งนี้เกิดจากสิ่งเหล่านี้รูปังอณิจังเวทนานิจาสัญญานิจาสังขารานิจาวิญญานิจจั้นรู้ ไม่เจียงสัญญาทังการมี ญ, ญาติไม่เตียงนั่นอย่างนี้เรียกว่ารู้และเข้าใจด้วยปัญญารู้ว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําก็เข้าใจด้วยเลือดปัญญาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายก็ขอให้เรานั้นจงเอาทำ ม, มาสู่ใจเมื่อทํำมาสู่ใจแล้วเราก็ประพฤติฏิบัติไปตามธรรมธรรมมันก็จะถึงใจเมื่อใจถึงธรรมธรรมก็ถึงใจเมื่อธรรมถึงใจใจเหล่านั้นก็จะ ลาค่อยๆเบาลงไปเบาลงไปลงไปนั่นด้วยอาศัยอำนาจแห่งความเดียนธรรมจะจริงสุขขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขญาติโยมทั้งหลายจะมีความสุขได้ก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมคสอนของบุทุเจ้า8ปด0มสี่พันระธรรมคขันเมื่อย่นย่อแล้วเหลือเพียงขามข้อตอนนั้นเรียกว่า สรพปาภาษากระนังการไม่ทำบาตทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้ปสัมปดาการยังกุศลได้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตตประโยคค์นงังนาการจำจิตให้ตัวเองให้ผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธานศาสนันติสอย่างนี้เป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกบ้านนี่แหละทำให้มันรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นเมื่อเรารู้เห็นธรรมธรมแล้วนี่เขาเรียกว่าทำสู่ใจใจถึงใจประพฤติปฏิบัติธรรมทำก็ถึงใจเมื่อใจถึง ทเราก็สามารถเข้าใจในธรรมในอริยสัจสีทุกสุโ ม, มทัยนิโรธมัส อันนีจังทุกขังอนัตตาเราจะเข้าใจวิริเยตุกรรมะเจติสิ่งเหล่านี้จะสําเร็จได้เพราะอาศัยความผ้า ค, ความเพียรปัญญาโรกสเมนติบุคคลจะล่วงทุกข์เพราะอาศัยปัญญาสัมมาสมาธิสมาธิประกอบด้วยปัญญาเราจะสามารถเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรเป็นเหตุนําไปสู่มรรคผลนิพพานเราจะทํามันนั้นอะไรเป็นเหตุทําให้เราตัดพบตัดชาติน้อยลงเราก็จะทําอย่างนั้นอะไรที่จะทําให้จิตใจของเรามีแต่ความผ่องใสปราศจากขุนมัวเราก็จะ ปฏิบัติตามทำเหล่านั้นนี่แหละเราและท่านทั้ทงหลายทุกท่านทุกคนอาตมาก็ขออนุมโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใช้เวลามาพอสมควรตามที่โยมทั้งหลายกําหนดให้ก็ขอให้เราและท่านทั้ทงหลายทุกท่านทุกคนขออนุมโมทนาในหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาความเชื่อความร่วมใสในหัวใจของพนักงานบริษัท ทีโอทที่มีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจนาโลกภายนอกที่อื่นๆเขาเขามีแต่ความจมปรักอยู่กับกับกิเลสกิเลสสาสวะ ทั้งหลายทั้งปวงด้วยความโลคความโกรธความหลงของเขาก็าปล่อยให้เขาไปเราไม่มีสิทธิ์ไปทําอะไรเขาได้แต่เราจงรักษาตัวรักษากายรักษาใจของเรานั้นให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยอํานาจแห่งธําคําสอนของพุทธเจ้าโดยการรักความชั่วกระทําความดีทําจิตให้แจ่มใสและเบิกบานตั้งตนอยู่ในศีลหตามคําสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันทําความภาคความเพียรอยู่ในความสม่ําเสมอในการเจริญสมาธิภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว จงยกจิตขึ้นมาพิจารณาธรรมทันทีเราจะเข้าใจในธรรมคำสอนพรธเจ้าอย่างแท้จริงทำอันเดียวกันต่างคนต่างประพฤติปฏิบัติแต่ถึงหม้ถึงถึงที่สุดแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่นั่งรถทัว นารถนอนไปเชียงใหม่นาล่งรถตู้ไปเชียงใหม่นั่งรถไปไปเชียงใหม่เดินไปเชียงใหม่หรือนั่งรถสิบลอ้อนั่งรถกระบะหรืออะไรต่างๆไปเชียงใหม่ <c oughs> ก็ไปถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันแต่จะไปช้าไปเร็วก็มันอยู่ที่ว่าเราและท่านทั้งหลายมีทุนทรัพย์มากหรือเปล่ามีบารมีมากหรือเปล่าถ้าเรามีทุนทรัพย์มีมากนาเราก็นั่งเครื่องบินไปได้ทุนท ร, รัพย์เราน้อยเราก็ต้องไปแบบช้าหน่อยถึงช้าหน่อยมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยบุญกุศลเราทํามาน้อย แต่ในที่สุดมันต้องถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนถ้าใจของเรานั้นประกอบด้วยวิริเยทุกขมกัสเจติทุกทั้งหลายทั้งปวงจะหมดทุ่นไปสิ้นไปด้วยความผ้าความเพียรเพราะนั้นปัญญาโรกสมัมมติมองด้วยปัญญามีสตินั้นมีสตินั้นใช้สติที่มีอยู่ด้วยปัญญาพิจารณารู้ด้วยปัญญาพูดด้วยปัญญา นะพูดด้วยปัญญาแล้วทําเอาปัญญาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไม่ใช่ปัญญาของเราแต่เป็นปัญญาของพระอาริยสงฆ์พระอาริยเจ้าผู้หมดอาสวะกิริแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะอยู่กับโลกใบนี้อย่างมีความสุขจงใช้กายวาจาใจของเราให้มีคุณค่ามีประโยชน์ให้มากที่สุดนาที่จะมากได้และอะไรก็ตามทําแล้วพูดแล้วคิดแล้วถ้าตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนจงทําเถิดคิดเถิดพูดเถิดถ้าทําแล้วคนอื่นก็เดือดร้อนอย่าพูด อย่าคิดอย่าทำเพราะฉะนั้นทำแล้วเราต้องสบายใจคนอื่นต้องสบายใจนั่นแหละคือคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าวันนี้จะมาก็ขออนุมโมทนากับอทชาญาโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ได้ให้ความสําคัญกับการมาประพฤติปฏิบัติธรรมความสําคัญเหล่านั้นแหละที่จะพาให้ดวงจิตดวงใจของเรานั้นให้ถึงจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้านี้นั่งแน่นอนเพระนั้นท้ายนี้จะมาก็ขออนุมโมทนาขอกุศบลบุญบุญขอเจตนา บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์เราที่เราเป็นทายาทขององค์สมเด็จพระสมาสามพุทธเจ้าที่รับมรดกจากพุทธเจ้ามาแล้วจงรักษามรดก น, นั้นด้วยให้มีคุณค่าให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท้ายนี้อาตมาก็ข อ, ขอากราบพระพุทธนาฏเชิญบารมีแห่งพระพุทธนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาระ โ, โลกบารมีแห่งพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆุกพระองค์ทั้งในอดีตและสู่ปัจจุบันและ บุญกุศลที่เราสะสมมาแล้วในอดีตกับคําคําสอนที่เราและท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติอยู่นี้จงเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นแนวเป็นทางเป็นแสงสว่างเป็นเหตุเป็นผลนําพาดวงจิตดวงใจของเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกๆคนนั้นให้จงเจริญด้วยอายุวันณะสุขะพละขอให้แสงสว่างแห่งทางธรรมทั้งหลายจงกวองจงบังเกิดขึ้นกับใจของเราขอให้สิ่งที่เราพึงปรารถนาที่เรียกว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัตินั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จ สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกอย่างทุกประการจงมีแก่พวกเราและท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกทุกคนเทินเทศนาวสาเนสิ้นสุดแสดงพระธรรมเทศนาจึงขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี